พ <ee. S 1> ระธรรมเทศนาแผ่นที่108ดลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่11เมษายน2560มีชื่อเรื่องว่าพิธีสงน้ำขอพรปีใหม่ไทยเอาออรอๆจักหน่อยนะลูกหลานนะโปรด ά, รถกำลังลางไลมา ถ้าเราทําก่อนเดี๋ยวเกิดเสียความรู้สึกปีหนึ่งมีครั้งเดียวอดทนสักหน่อยนะลูกหลานนะคงจะไม่ร้อนเท่าไหร่มั่งพราะอยู่ในล่มอยู่ก็มีลมพัดผ่านวันนี้มีของที่ระลึกนะลูกหลานนะคิดว่าน่าจะพอน่าจะพอแจกกันนะพระในวัน ท, ที่จะแจกเป็นเหรียญ น, นะพระ ประธานพระสมเด็จยาณยานสมเด็จยอสอสอยอสอสคือจุเดจพระสังคราชนะยาณสังวรที่องค์ที่ท่านมรณะภาพองค์กร น, นั่นนะบรมพุทโธ โ, โพธิสัตว์สละชีพเพื่อชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์พิมพ์พระประธานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงปู่ทวดมีหลวงปู่ทวดมีพระพุทธรูปด้วยนะขังนะแต่จะไปจะไปทดลองไม่ได้นะถ้าไปทดลองไปไ้นจะอยู่อยู่หมัดจริงๆนะอยู่มีดจริงๆนะเอามีดเสียบข้หลังนละยอยู่เลยเหมือนกันไปไม่ได้เลย เ ว, เวลาเรามีทุกในจิตในใจมีอะไรเราเดินทางมีความทุกข์ในจิตในใจเราก็ระลึกถึงนะพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพคุ้มของผู้ฆ่าโดยเธ อ, นะ เ, อเราก็สบายใจขึ้นมานะราะนะั้นมีพระติดตัวไปที่ไหนก็อุ่นใจนะวะนะันนั้นหลวงพ่อจึงแจกพระให้ลูกให้หลานอจอดแจกเป็นเพื่อเป็นเครื่องอบอุ่นทางด้านจิตใจนะ ผล ก, กำลังหลังลไหลมาอยูลูกหลานเนี่ยหละน้ำใครถือมาแล้วก็เอามารวมใส่กระมังนี่ได้นะลูกหลานนะจากนั้นหลวงพ่อจะให้ท่านประธานให้พวกเราเลือกสรรว่าใครเป็นผูใหญ่บ้านของเรากำนันของเรา เ, เป็นผู้ใหญ่ในชุมชนของเราให้เป็นตัวแทนมาสงมือมาสงแทนพวกเรานะพวกเราก็นั่งประนมมือประธาน ก็มาส่งน้ําหลวงพ่อจะให้พวกเรามาส่งน้ําหลวงพ่อทุกคนคงไม่ไหวละอหลวงพ่อจะเป็นลมก่อนวะแต่พอส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลวงพ่อก็จะแจกแจกเหรียญแจกเหรียญให้ลูกหลานเกรงว่าให้ครบทุกคนเลยนะอืจะให้ครบทุกคนเตรียมไว้อยู่นะถ้าไม่ครบก็ให้กูบาไปหาใหม่มาอีกนะ ปีหนึ่งปีหมีครั้งหนึ่งที่พวกเราได้ม า, ารวมกันส่งน้ําและก็เมื่อส่งน้ําหลวงพ่อเสร็จแล้วก็วันต่อไปหรือเวลาต่อไปก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ใหญ่ในเขตอำเภอนายูของพวกเราพวกเราก็ไปส่งน้ำํำครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใส จากนั้นก็ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ท่านนายอำเภอท่านผู้กำกับลือผู้ทรงคุดนาวุธในท้องถิ่นของเรารเราก็ไปนัน่นะมุดน้ำดาหัวตามประเพณีอันนี้คือพวกเราถือกันมาตั้งแต่โบ ร, โบราณคณะทาญาิโวมลูกหลานเนอะนี่แหละไหว้วดขุดนาวุ ธ, วธเรามีผู้น้อยผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันมีแต่ความร่มเย็นผาสุขมีอะไรก็ฟัง เหตุฟังผลกันผู้น้อยก็ฟังผู้ใหญ่นะแต่ผู้ใหญ่ก็มีความจําเป็นบางครั้งก็ฟังผู้น้อยไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่จะถูกทีเดียวก็ไม่ใช่แต่ถึงยังไงก็ต้องฟังผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาเกิดก่อนเขาใจเย็นกว่าก็มีเหตุผลกว่าก็าต้องห่างอ้างเหตุผลให้พวกเราลูกหลานได้ฟังลูกหลานก็ฟังถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันด้วยเหตุด้วยผลพึ่งพาอาศัยกันพี่พน้องน้องลูกลูกหลาน มีแต่ความร่มเย็นผาสุกนะแต่ว่าอยู่ด้วยกันมีแต่ทิฐิมานะไม่ยอมฟังใครไม่ยอมฟังเหตุผลของใครอยู่ด้วยกันลําบากนะ เ, เพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านถ้อยทีถ้อยอาศัยกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่งนั่นแหละการอยู่ด้วยกันจะร่มเย็นเป็นสุขมกคนเราไม่ใช่ว่าจะเก่งเก่งคนเดียวถ้าเก่งคนเดียวคุณไปอยู่หลังเขาพยามาอยู่กบู ถ้ามาอยู่กับหมูก็ต้องฟังเสียงหมูเสียงเพื่อนเสียงพักเสียงพวกถ้ามาอยู่กับครอบครัวก็ต้องฟังครอบครัวแม่บ้านก็ต้องฟังพ่อบ้านต้องฟัง ล, ล, ลูกๆหลานๆอยู่ในครอบครัวไม่ใช่ดันทุลังพอดันทุลังไปแล้วเนี่ยทำยังไงฮะมันเสียหายมันเสียหายใครไม่ใช่เสียหายคนคนเดียวนะถ้าพ่อแม่พ่อทั้ง พ่อบ้านทั้งลกลุอย่าเอาเงินไปซื้อหวยเถอนะนะเดี๋ยวมันจะหมดเนะีเงินก้อนเดียวนะทางแม่บ้านโอ้ยเอาแต่มันรวยทีเดียวเลยเอผลที่สุดพอไปซื้อหวยเสร็จแล้วนะมันไม่ถูกตีในตายแล้ววะนี้อไม่รู้ว่ลูกจะกินยังไงพ่อบ้านไม่รู้จะอยู่ยังไงนะมันต้องฟังมันต้องฟังเหตุฟังผลถ้ามันมีเงินส่วนเหลือเออก็ไม่ว่ากันถ้ามีเงินอยู่ก้อนเดียวไปทําอย่างนั้นได้ยังไง เพราะมันทุกหม้อข้าวหม้อแกงของครอบของครัว น, นี่แหละการอยู่ด้วยกันมันต้องมีเหตุผลให้ลูกธรรนะใช่ไหวจะดันทุลังใครดู ด, ดันทุลังเรานะไม่ได้แลหละอยู่ด้วยกันไม่ผาสุกถ้าพวกเราไม่มีเหตุมีผลนะเออคิดว่าคงจะหมดแลวังแต่ทีนะี้เอายมเท่าแก่ฉลาดประธานท่านในอำเภอจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะครับต่อไปก็ วยพา์นะครับพร้อมกันอรารหังสัมมาสัมพุทโทธผักขวาพูดทางผักขาวันตังอาภิวาเทมิสวาคาโตภะคขาวตาทัมโมธามังนามาสามิ สุปฏิปันโนภาขวตโตสาวกสังโฆสังขังนามามิครับหาม า, มาหาหาลวงพ่อเลยนะครับฮะ เดี๋ยวขยกขึ้นเดี๋ยวจะพาคารวะหลวงพ่อนะครับตั้งนมโมก่อนนะครับนโมตัดสาภะข ว, วัโตอัลลาหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัดสาภะข ว, วัโตอัลลาหะโตสัมมาสัมพุทธะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจับยกขึ้น่อยครับอาจารยเยปะมาเทนาทาวราตเยนากตังสัพพังอปาราทางขมทุโนพันเต อาจารย์เยปามาเทนาทาวาระเยนากตังสับพังอปาราทางขมาทุโนผันเตอาจาริเอปามาเทนาทาวาระเยนากตังสับพังอปาราทางขมาทุโนผันเต มอบกราบลงลูกหลานคณะลูกหลานศรัทธา ญ, ญาติโยมมีท่านนายอำเภอท่านผู้กำกับและก็หัวหน้าส่วนราชการผู้สูงวัยผู้สูงอายุได้มากราบพร้อมกับลูกหลานเขตอำเภอนายูงและก็มาจากจาตุรทิตที่มาร่วมสมทบไดมาก่าวกับครวะอาจารย์เยปมาเทนะ ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังพระอาจารย์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอพระอาจารย์โปรดโอโหสิกรรมให้กับพวกข้าข้าพเจ้าพวกกระผมด้วยที่กล่าวอาจารย์เยประมาเทนะที่พูดเป็นภาษาบาลีหลวงพ่อเองเมื่อได้รับดอกคันดอกไม้ที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มากราบคารวะหลวงพ่อ ในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาในท้องถิ่นที่ถ้าจะว่าไปในท้องถิ่นของเราหลวงพ่อก็บอกได้เลยว่าในท้องถิ่นของเราที่มีอายุพรรษาแหมมากหลวงพ่อมองไม่เห็นและท่านผู้ใดที่ครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามากหลวงพ่อมีอายุพรรษาที่จะว่ามากกว่าทุกองค์ในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นคณะชาตาญาติโยมได้มากราบคารวะ อาจาริเยประมาเทนะหลวงพ่อได้รับแล้วหลวงพอ่อยินดีอโหสิกรรมพวกท่านทั้งหลายได้ประมาทพลาดพลัง้งด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหลวงพ่อยินดีอโหสิกรรมให้กับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ก็ให้ซ้ำรวมระวังน ะ, ะไม่ใช่ว่าประมาทพลาดพลัง้งแล้วประมาทแล้วประมาทอีกอันนั้นก็ไม่ดีแปลว่าซ้ำซากไม่ซ้ำรวมไม่ระวัง อันนั้นไม่ไม่ไม่สมควรอย่างยิ่งแต่หากว่าพวกเราได้ประมาทพลาดพังด้วยกายวาจาใจครั้งคราวจะไม่สบายใจหลวงพ่อยินดีอโหสิกรรมให้กับพวกเราทุกทุกท่านขอให้พวกเราทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจและกับปาถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ให้พวกเราทุกทุกท่านจงสมหวังดังปาถนา ทุกๆท่านทุกๆคนนะอหังอหังคมามิตุมเฮหิปิเมคมามิตับบังเอวังโหัตุเอวังโหัตุโยจะปุบเบปมัตชิตวาปัตซาโซนัปปมัตสติโซมังโลกังปพาเจติอภามุตโตวจันทีมาอภิวาธนสีเิสนิจยังบุษธาปจายีโนจัตตารโอธัมมาวัฏานติ อายุวันโนสูขขังภาลางังคณะสัายาติโจมก่อนที่จะออส่งน้ำหลวงพ่อนะออลดน้ำมุดน้ำรําหัวก็หลวงพ่อจะกล่าวให้โอวาดกับลูกหลานเช่ก่อนพอหลวงพ่ออยู่กับลูกกับหลานออถึงยังไงพวกเรา ถ้าจะว่าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมวดเดียวกันถ้าหากว่าเป็นอยู่ในอยู่ในป่ารงพงไพ่ก็อยู่ในป่ารงพงไพ่เดียวกันอยู่ในบึงใดบ่อเดียวกันถ้าเป็นปลานะอันนี้พวกเราเป็นมนุษย์ก็อยู่ในชุมชนกลุ่มเดียวกันมีสาระทุกข์มีสาระถูกสุขติดอย่างไรพวกเราก็ได้พึ่งพาอาศัยกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่งหลวงพ่อก็อาศัยลูกหลานนั่นแหะ ลูกหลานก็บางครั้งบางคราวก็ได้มาอาศัยหลวงพ่อเป็นบางคู่บางคนหลวงพ่อที่จะช่วยเหลือได้หลวงพ่อก็ยินดีให้ความอนุเคระาะห์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ได้ช่วยเหลือเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนสาธารณประโยชน์อย่างนี้แหละหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามมิใช่แต่เฉพาะในชุมชนกลุ่มของเราไปไปลหลายๆชุมชนหลายกลุ่มเหมือนกัน เพราะว่าหลวงพ่อเป็นพระสาธารณะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแปลว่าสาธารณะชนอยู่ณสถานที่ใดที่จะให้หลวงพ่อไปช่วยที่จะช่วยเหลือได้หลวงพ่อก็ยินดีนะนี่นะวันนี้ก็ได้พวกเราได้มาร่วมมารวมกันมามุดน้าดำหัวปีพุทธศักราช 2,560 นะวันนี้เป็นวันที่11 วันที่11เมษายนพุทธศักราช2560าก็วันที่13เป็นที่รู้กันว่าเป็นวันสงกรานเป็นวันปีใหม่ไทยเป็นวันปีใหม่ไทยวันที่หนึ่งมกราเป็นปีใหม่สากลแล้วก็วันตุตจีนก็เป็นวันปีใหม่ของพี่น้องชาวจีนเรานี้เป็นต้นอันนี้เป็นวันปีใหม่ไทย แต่ทำไมพวกเราจะได้มาทำในวันนี้ก็เพราะว่าวันที่เดี๋ยวนี้วันตั้งแต่วันนี้แหละเป็นต้นไปก็จะมีการหยุดราชการพี่น้องประชาชนก็ได้กลับไปบ้านเมืองกลับไปบ้านไปเรือนไปทำกิจโทรละหรือไปมุดน้ำรำหัวไปกราบคารวะพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราเพราะนั้นท่านนายอเภอและกหัวหน้าส่วนราชการจะได้พร้อมกัน มาคารวะหลวงพ่อให้ท้องถิ่นให้จบๆไปจากนั้นพวกเราก็จะได้แยกย้ายกันเข้าไปกราบคารวะไวิยวุฒิคุณวุฒิอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่ถึงยังไงพวกลูกหลานเนีมาพร้อมกันขนาดนี้ไม่ใช่ว่ารวมกันได้ง่ายๆปีหนึ่งปีก็นี่แหละเป็นวันสงกรานแต่หลวงพ่อก็อยากจะกล่าวย้ำเตือน ให้กับพวกเราทุกๆท่านอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพวกเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในคลองเดียวกันอยู่ในสระเดียวกันอยู่ในป่าดงพงไพยอยู่ในชุมชนกลุ่มเดียวกันและไม่มีใครที่จะมาทำให้พวกเราเดือดร้อนอยู่อังกฤษอเมริกาเขาคงจะมาไม่มาทำให้เราพวกเราเดือดร้อนมีแต่พวกเราอยู่ด้วยกันจะเกื้อกูลหนุนกันให้ได้รับความสะดวกสบายได้รับความสุขกับคนอยู่ใกล้กัน จะทำให้เดือดร้อนวุ่นวายก็คนอยู่ใกล้กันเพราะนั้นการอยู่ใกล้กันการอยู่ด้วยกันให้พวกเราคิดถึงใจเขาใจเราอย่าไปเห่าแต่ใจตัวเองสิ่งไหนที่มันไม่ถูกนะหลวงพ่อเองในฐานะเป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อพูดเป็นกลางๆนะจะไม่เข้าข้างนั้นจะไม่เข้าข้างนี้สรุปแล้วคือไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าผู้กระทำความผิดนะ ถ้าผู้ใดก็ตามทําความผิดหลวงพ่อจะไม่เข้าข้างนั้นนะหลวงพ่อจะเข้าข้างคนที่ถูกต้องอยู่ในกฎกติกาอยู่ในกฎหมายบ้านเมืองนะเพราะฉะนั้นในพวกลูกหลานทั้งหลายเนะ้อที่มาอยู่ที่นี่นะสิ่งไหนที่เป็นมิจฉาชีพนะอย่าไปทำนันลูกหลานเนะ้อการอยู่ด้วยกันต้องรักเมตตากันถ้าว่าพวกเราปฏิบัติตนไม่ถูกเ อ, เอามิจฉาชีพออกมาใช้ในกลุ่มของเรา พวกเราก็จะเดือดร้อนนะอย่างคิดฆ่ากันอย่างนี้อย่างคิดขโมยกันอย่างนี้เออรืองปกพื้นผิดลาลาบลาลวงในสามีภรรยาลูกหลานกันอย่างนี้เรื่อโกหกต้มตุนลวกหลอกลวงกันอย่างนี้เออรือว่ากินเหล้าเมายาออกินเหล้าเมายากินดื่มสุราเข้าไปแล้วก็ทําให้เสียหายทาให้อยู่ด้วยกันลําบากเพราะใดเพราะคนเมาเมาขาดสติแล้วก็อยู่ด้วยกันลําบาก ตลอดถึงยาบ้ายาม마คัญชายาฟิน่นเฮโรอีนสิ่งไหนก็ตามที่มันไม่ดีเน่ยอย่านำเข้ามาใช้ในชุมชนของเรานะลูกหลานเนอะนี่หลวงพ่อพูดในฐานนะเป็นหลวงปู่หลวงตาเป็นห่วงลูกหลานนะถึงจะได้เงินก็จริงอยู่าขายยาบ้านนะาแต่ว่าเมื่อขายไปแล้วนะมันเดือดร้อนใครล่ะท่ถ้าเป็นลูกหลานของเราติดยาบ้าแล้วเป็นยังไงความรู้สึกของเรา ดีใจไหมลูกหลานของเราติดยาบ้าทุกคนก็ไม่ดีใจทั้งนั้นในเมื่อเราไม่ดีใจ เ, เราก็ไม่ควรจะทำให้เขาคนอื่นทุกใจกับเรื่องของเราถึงจะได้เงินมาก็จริงอยู่แต่ว่ามันทำให้ชุมชนของเราเดือดร้อนสิ่งเหล่านี้หลงพ่อฝากไว้กับลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายเน้อพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทั้งหลายเน้อกล่าวตักเตือนลูกหลานของพวกเรา ตลอดถึงท่านท่านในอาเภอท่านผู ก, กํากับนี่แหละพยายามบอกกล่าวลูกหลานให้รู้จักให้สานึกในการอยู่ด้วยกันท่าลงพ่อเนี่หลงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตามีแต่แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้ลูกหลานทั้งหลายเป็นคนดีการอยู่ด้วยกันและก็พร้อมกันให้เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะพวกเรามีพ่อมีแม่ให้พวกเราคิดดูให้ดีสิลงพ่อนี่บอกกล่าวอยู่เสมอนะลูกหลาน พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจโทรละของท่านดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือเป็นหน้าที่ของบุตรที่ดาทุกคนจะต้องอช่วยกันพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาถ้าหากว่าเราเป็นลูกนะถ้ามีเราังไม่มีลูกเราก็ยังไม่เห็นบุญคุณของพ่อของแม่นะ ถ้าเมื่อเรามีเลี้ยงลูกขึ้นมาแล้วเนะ่เราเลี้ยงลูกเพื่ออะไรนะ่ให้ถามตัวเองว่าเราเลี้ยงลูกมาเพื่ออะไร เ, เราต้องคิดว่าเออเมื่อเราเฒ่าแก่ชรา เ, เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเมื่อเ่าเราเฒ่าแก่ชรามาแล้วเราจะได้พึ่งพาอาศัยลูกของเรานะนี่พ่อแม่ของเราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละมั่นท่านเลี้ยงดูเรามาต่อไปภายภาคหน้า เ, เมื่อเราใหญ่ขึ้นมาพ่อแม่แก่เท่าลงไปท่านก็ได้พึ่งพาอาศัยเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนเนาะให้มองดูให้มองดูพ่อแม่ของตนเองเออให้ช่วยเหลือพ่อแม่ของตนเองอันนี้แหละเป็นบุญเป็นกุศลนะในหลักของพระพุทธ ศ, ศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าท่านว่าพระหันพระหัน์นในบ้านนะคือพ่อแม่นี่นะท่านไม่ได้มองอื่นไกล พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลําบากเราจะทดแทนพระคุณท่านได้อย่างไรเป็นหน้าที่ของบุรุษทุกคนนะเป็นหน้าที่ของลูกพวกคนจะไปแบง่งจะไปคิดว่าคนนั้นเป็นผู้อยู่ใกล้คนนั้นเป็นผู้ได้รับมรดกไม่ใช่ถ้าคิดอย่างนั้นแปลว่าเราคิดผิดจะแล้วนะตั้งแต่หัวจดเท้าตั้งแต่ศีรษะของเราจดฝาเท้านะเราได้มาจากใครเราได้มาจากพ่อจากแม่ไม่ใช่เหรอ ในเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแต่อ่อนแต่ออกท่านเลี้ยงดูเรามาเหมือนกับพวกเราเลี้ยงเด็กเห็นไหมเราเลี้ยงเด็กเลี้ยงยากขนาดไหนพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาก็ไม่แพ้กันเลี้ยงเด็กแต่ถึองอยา่างไรก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้เมื ment, ่อเลี้ยงเมื่อท่านเลี้ยงดูใหญ่แล้วก็ให้ช่วยช่วยกันดูแลพ่อแม่ของเราในเมื่อพ่อแม่ของเราได้รับความ สะดวกสะดวกผาสุกนะก็เป็นบุญเป็นกุศลพวกเราแล้วก็ต่อไปภายภาคหน้าพ่อลูกของเราก็จะดูแลเรานะาถ้าว่าพวกเร า, เาไปดูพอมีลูกขึ้นมาแล้วก็ตำนิติชินเนินทาพ่อแม่ให้ลูกลูกตนเอ็ฟังโอ้ยพ่อแม่รักคนนั้นรักคนนี้ไม่รักตระกูลไม่รักพวกเราไม่แบ่งวรรดกให้พวกเราอย่างนี้นะ ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราได้ลูกมานะลูกของเราก็จะนั่นพอออกจากเราไปเน่เขาก็จะตาหนิเราอีกกงล้อ ก, กรรมเกวียนนะแต่มันไม่ไปไหนเพราะนั้นให้พวกเราถึงจะผิดใจไม่ถูกใจยังไงเราอาจจะผิดใจอาจจะไม่รู้ในแนวความคิดของท่านแต่ถึงยังไงเราก็ต้องรักเคารพเมตตาพ่อแม่เพราะว่าท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเป็นพักคุณอย่างยิ่งแล้ว แต่เนีนเ่พวกเราควรจะตอบแทนพระคุณท่านเนอะนี่แหละถ้าว่าพวกเราตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่อย่างนี้แล้วนะเราไปอยู่น่าสถานที่ใดเออมีแต่ความเจริญผาสุกนะลูกหลานนะถ้าว่าพวกเราทําไม่ถูกนะเดือดร้อนนะเอ่เมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราเมื่อท่านตายไปแล้วนะเราคิดในจิตในใจโอ้ตายเราไม่ได้ดูแลพ่อแม่เราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่เลยเรามีแต่ มีแต่โมโหโกทาให้พ่อให้แม่ให้ท่านแต่บัดนี้ท่านตายไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของเราก็มีคนเดียวเท่านั้นทำไม่ใจของเราในทาไมจึงไม่ระลึกถึงบุญคุณของท่านนะเราจะเสียใจเมื่อภายหลังนะลูกหลานนะเพราะนั้นพวกเราทุกคนนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเห็นไหมที่เป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยดังหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่เคยลดละนะ เ, เมื่อพ่อแม่แกเท่าฉรานหะลุงพ่อนําพ่อย้าแม่ไปเยี่ยมเยียนท่านตามความเหมาะสมจากนั้นเมื่อเท่าแก่ฉรานะเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อก็นํามาโรงพยาบาลนะดูแลท่านอย่างดีหมออย่างดีก็ได้สวดกับพ่อแม่กันมาล้มหายตายจากอยู่ที่วัดของหลวงพ่อเนะี่ยหลวงพ่อก็ไปชุมเพิงก็ลูกหลานในยุคสมัย น, ะนั้นที่หลวงพ่อไปชุม เ, เพิงของพ่อแม่ลูกหลานก็คงจะเห็นนะ ลงพ่อกนนั้นเนะี่เก็บก เ, เก็บดุกหลังฝังดูกข้างของพ่อแม่ น, ะนี่แหละนี้เป็นประเพณีของนักปราดเป็นประเพณีของคนคนที่ลำลึกถึงบุญคุณอย่างพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะสัทธายาจโจมลูกหลาน ต, ตัวอย่างพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าของเรานี่นะ เ, เมื่อพระพุทธเจ้ า, าประสูติมาได้เจ็ดได้เจดวันนะเกิดมาได้เจวัน ามารดาของพระพุทธเจ้าก็สวรรคตนางสิริมหามายาณพอสวรรณคตท่านก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็ออกบวชได้ตัดสรุปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในเมื่อในตัดสรุปท่านประ ก, กาศพระศาสนาเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับกราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พระ อ, องค์ยังระลึกถึงมารดาเห็นไหมท่านขนาดข้ามพบข้ามชาติเพราะพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์นะพระมารดาของพระพุทธเจ้าเป็นเทวดาอยู่ชั้นรุสิดนะพระ อ, องค์จังขึ้นไปโปรดพระมารดาถึงสาเดือนไปเทศนาว่าการโปรดพระมารดาอยู่สวรรค์ชั้นรุสิดนะนี่แหละเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มองข้ามแนละลูกหลานนะถึงอยมารดาของท่านถึงจะไปอยู่ในทิศทางใดพระ อ, องค์ก็ยังได้ไปโปรดพระมารดาอยู่ ชั้นดุสิธิ์แต่ส่วนพระบิดาหละะเนี่ยเป็นพระเจ้าจุตโทธนะเมื่อพระพุทธเจ้าไปประกาศพระศาสนาพอทรงวนมาโปรดพระบิดาอีกจะเนี่ยมาเทศให้พระบิดาฟังมาแสดงธรรมให้พระบิดาพระบิดาได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันได้เส็จพระโสรบันจากนั้นก็ต่อมาอีกเมื่อมีโอกาสมาโปรดพระบิดาอีกเทศนาว่าการได้เป็นพระอนาคามีเสร็จแล้ว พอครั้งสุดท้ายนี่โค้งสุดท้ายนี่ยพระพุทธเจ้าจุดโททนาอยู่ที่หอปราศาสตร์ป่วยทรงประชวรหนักนะพระพุทธองค์อย่างได้นําพระราหุนกับพระอนนท์เข้าไปในห้องบรรทมเลยไปแสดงทําให้ฟังโปรดพระบิดาในห้องบรรทมจนพระพระเจ้าจุดโททนาได้สําเร็จเป็นพระรหันได้เสร็จสําเร็จเป็นพระรหันพระพุทธองค์บอกว่าเออจบแล้วทีนี้ ส่งพระบิดาถึงฝั่งแล้วพระบิดาเขาได้สําเร็จเป็นพระราหันแล้วนั่แหละจากนั้นพระองค์ก็จะเดจออกมาพระเจ้าจุโฑทนะก็ปรินิพานไม่ใช่สวรรค์น่ะพระพุทธเจ้าเจ้าจุโฑทนะปรินิพานเพราะท่านได้สำเร็จเป็นพระราหันท่านก็บอกปรินิพานจากนั้นท่านก็มอบให้พระะพรมหากัะเจาะพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้ดูแลจัดงานพระศพของพระเจ้าจุโฑธน์พระบิดา สรุปแล้วคือพระพุทธเจ้าของเราถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าถึงเป็นพระบิดาเป็นพระเจ้าพระเจ้าแผ่นดินพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระพุทธเจ้าก็จริงพระองค์ก็ยังไม่ปล่อยปลกละเลยไม่ละทิ้งนะและลึกถึงบุญคุณพระบิดาของของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราทุกท่านควรจะยึดแนวปฏิปทาและแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ท่านพา พระศกนิกรยหรือพาพุทธบริษัทของพระองค์ปฏิบัติตนอย่างไรต่อพ่อแม่ของเราเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับลูกกับหลานทุกคนในหะลวงพ่ออ้างอิงในหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านปีหนึ่งลูกหลานมามาสู่วัดวาศาสนาทให้พูดธรรมะไม่พูดอะไรให้ลูกหลานฟังเป็นข้อคิดก็ยังไงยังไง และก็พร้อมกันแนละ้วลูกหลานนะในเทศการสงกรานอย่างนี้แหละพ่อแม่ปู่ย่าตายายควรจะสอนลูกสอนหลานบอกลูกบอกหลานแต่ลูกหลานก็เถอะนะได้รับการศึกษามีปถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกมีมากมายอย่างน้อยกับม .2 อม .2 มสป .6 ปหม .1 ่ม .2 อมสควรจะรู้ได้แล้วว่าอันไหนควรไม่ควร น, นะ ลูกหลานทั้งหลายควรจะฟังนะควรจะสํานึกได้แล้วนะเพราะเหตุไรเพราะว่าเ อ, อเราไปกินเหล้าเข้าไปเนี่ยเ อ, อไปขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งนู้นซิ่งนี้แซงนู้นแซงนี้หรือไปกินเหล้าหรือว่าไปกินยาเสพติดไปกินยาบ้ายามา้ะพอเสร็จแล้วตํารวจจับเข้าไปแล้วมันเสียหายจะดอหรือว่าขี่เข้าไปแล้วมันเมาเออตกข้างถนนเพราะตกข้างถนนแล้วหัวนกเพื้นขาหักแขนหัก มันเป็นภาระของใครเด่เทั้งที่เราทาตามไม่จริงหลงพ่อว่าน่าจะอยู่ในบ้านเล่นสนุกในบ้านก็น่าจะเพียงพอนะ เ, ออเราไม่ควรจะถ้าว่าไม่ความไม่ปลอดภัยมนะีเราก็ไม่ควรจะออกนะพ่อแม่ก็เหมือนกันนะถ้าดูดูแล้วมันไม่ปลอดภยัยก็ไม่น่าจะพาลูกพาครอบครัวของตนเองไปสนุกสนานในวันเช่นนี้นะถ้าออกไปเราต้องค็ดว่าปลอดภัยไหม ถ้าไม่ปลอดภัยเราจะไปทําไมสนุกสนานถ้าว่ามันสิ่งมีอะไรเกิดขึ้นมันไม่คุ้มค่ากันนะลูกหลานนะหัวล้างข้างแตกเข้ามาแล้วขาหักแขนหักนะผลที่สุดเนี่ยหลวงพ่อก็เคยไม่รู้ว่ากี่ครั้งพอแขนหักเข้ามาไปโรงพยาบาลก็วิ่งมาหาหลวงพ่อนโอ้ยหลวงพ่อบอกเนตขอร้องคุณหมอโดยเทอานะลูกหลานของผมแขนหักขาหักอยู่โรงพยาบาลเข้าไปแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะ ลุงพ่อก็ได้ยินไม่รู้ว่ากี่ครั้งเหมือนกันนี่นแหละสิ่งเหล่านี้เราก็รู้ว่ามันไม่ปลอดภัยก็ให้พ่อแม่นะสอนลูกสอนหลานแล้วพ่อแม่จะไปสนุกสนานทําไมถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาเงินกีดยางของเราไม่รู้กีดมาเท่าไหร่เอาไปใช้ให้ลูกให้หลานทั้งหมดค่าหมดค่ามดค่าหมอสิ่งเหล่านี้เราต้องสนุกสนานกับมาต้องเราพวกพวกเรานะต้องบวกลบคูณหารดูว่ามีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์ ถ้าไม่มีประโยชน์มันจะเป็นโทษเราจะไปทําทําไมนะอันนี้หลวงพ่อพูดในฐานะหลวงปู่หลวงตานะลูกหลานนะให้ฟังนะให้ฟังเอาไว้ศึกษาเอาไว้นะมันจริงไหมที่หลวงพ่อหลวงตานะี่พูดให้ลูกหลานฟังหลวงตานะไม่มีไม่ไดม้มู่ไม่ได้ห้ามเอ่อมัได้ยุไม่ได้ห้ามแต่ให้เหตุผลนะให้เหตุผลลูกหลานลูกหลานทุกคนยุคนี้สมัยนี้กับเป็นผู้ได้รับการศึกษา ดีเกือบทุกคนอยู่แล้วต้องมีเหตุผลการที่จะทําอะไรถ้าไม่มีเหตุผลดันทุลังก็ช่วยไม่ได้อีกเหมือนกันนะพอมันเป็นอะไรเกิดขึ้นมาเลยค่ะจะทำยังไงล่ะโตโตเต๋งงงันๆขาหักแขนหักใครจะเป็นคนเลี้ยงล่ะพ่อแม่ยังอยู่กับพ่อแม่เลี้ยงพอต่อมาพ่อแม่ตายไปแล้วบ้านใครจะเลี้ยงล่ะให้พี่ๆน้องๆเขาเลี้ยงลูกหลานเขาเลี้ยงมันทุกใจใครล่ะมันทุกใจตนเองนะลูกหลานนะ แหมมันทุกใจตนเองนะถึงคราวนั้นล่ะจะรู้ได้ว่าโอ้ขานี่ยทำไม่ถูกแล้วค่านี่โง่เกินไปจะแล้วค่าทำไม่ถูกแล้วเป็นภาระของคนอื่นเสียแล้วนะนั่นแหละจะทำยังไงมันสายเกินไปจะแล้วในจุดนั้นเพราะนั้นขอฝากกับลูกกับหลานทุกคู่ทุกคนนะ น, นละการกล่าวในวันสงกรานต์ที่จะถึง เ, เริ่มตั้งแต่วันนี้ล่ะ วันที่11วันนี้เป็นวันวันที่11เป็นวันเริ่มหยุดแล้วนะต่อไปกว่าที่เ1็1สิบีนะ่เป็นวันหยุดสงกรานก็ขอฝากไว้กับลูกกับหลานทุกคู่ทุกคนเนะแล้วกับผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็ขอใหทออ้ท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอคงจะไ ม, <c oughs> ไม่ไม่หนีจากท้องถิน่นเลยจําท้องถิ่นอ่เอนี่ยท่านท่านนายอำเภอประงุเผลอประเกหัวเลยว่าหนีออกจากท้องถิ่นไม่ได้ ท่านผู้กำกับก็เช่นเดียวกันผู้ใหญ่ต้องดูในท้องถิ่นดูแลลูกดูแลหลานแต่ลูกหลานก็จะไปดื้อย่าไปดื้อย่าไปลั่นจะไปดันทุลังพ่อแม่พ่องเราปู่ย่าตายายของเราก็บอกกล่าวลูกหลานเออลูกหลานเนียอยไปอะไรทำอะไรใครระมัดระวังด้อลูกหลานนะเน อ, อ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันไม่คุ้มค่ากันเด้เพ้อเผ้ อ, อ, อเขามาแล้วนะ ขาหักแขนหักเข้าไปแล้วหัวนกพื้นเข้ามาแล้วเป็นทุกใครละ่ะเป็นทุกพ่อทุกแม่ทุกพี่ทุกน้องนะเป็นทุกผู้ที่เกี่ยวข้องนะั้นลูกหลานทุกคนนะเนอก็บอกกันฮนะถ้าบอกแล้วไม่ฟังก็จะทำยังไงแ้ะบอกไม่ฟังนะพ่อแม่บอกแล้วไม่ฟังก็จะทำยังไงใช่ไหมละ่ะ อ, อย่างที่หลวงพ่อเคยเยกนิทานสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าของเรา เ, เป็น เป็นพระเป็นราชสีนะสวยเป็นชาตินั้นเป็นพญาราชสีอยู่ในถ้ำราชสีก็ได้เมียราชสีเหมือนกันต่อมาก็เป็นลูกราชสีได้ลูกชายกับลูกสาวราชสีเหมือนกันอยู่ในถ้ำนะพออยู่ราชสีได้ลูกสองตัวใช่อยู่ในถ้ำต่อมาเนี่ยก็ตัวเมียราชตัวลูกราชสีตัวเมียเนี่ยก็ หากินแถบรอ บ, บๆนั่นละมาส่งให้พ่อแม่แต่ราชสีตัวตัวลูกชายเนี่ยคึกขนองนอี่ไปบางทีก็ไปขาบได้เก่งได้กว้างได้กระทิงได้วัวป่าอะไรมาให้พ่อให้แม่กินมาเลี้ยงน้องนะเพราะเขากําลังวังชาเขาแข็งแรงมากราชสีตัวเนี้ยเปรี้ยวเหงือนกน่คลอ่องแคล่วว่องไวแต่วันหนึ่งราชสีตัวนี้นะ ไปไล่ตะคุบหมาจิงจอกเลยหมาจิงจอกมันอพอไปตะคุบหมาจิงจอกมันก็หงายท้องเลยยอมเหมือนนเะโอ้เจ้านายเอ้ยจะให้ผมทั่วยยังไงผมยินดีมดทุกอย่างขอชีวิตไว้โดยเถินหมาจิงจอกขอร้องไนะอราชสีสีอะไรเออเอาถ้ามึงยอมกูมันราชสีสีก็อิ่มท้องพอสมควรแล้วเหมือนันเะเออเอาถามมึงให้เป็นลูกน้องกูนะมึงต้องตามกูนะหมาจิงจอกตอนนั้นกับ ครับผมเออมันก็ยอมรับจากนั้นไอ้ราชฤษีไปที่ไหนหมาจิ้งจอกต้อก็ตามหลังไปเออบางทีก็ไปเห็นไปไ ป, ไปสอด อ, อสอดสอบสอดสอดมองมองออดูดูแลไปเห็นเก้งเห็นกวางเห็นตรงนั้นตรงนี้ก็มาบอกเจ้านายใช่ไหมเฮ้ยเก้งกวางมันอยู่ตรงนั้นนะเอออยู่ตรงนี้ตรงนั้นนะมาบอกเจ้านายกันน่ะ ไปก็ตะครบแล้วงเงาเถะมาก็แบ่งให้หมาจริงจอกกินบ้างแล้วก็ข้าบมาให้พ่อแม่กินแต่ในนี้ต่อมาหมาจริงจอกเท่านั้นน่ยราชสีตัวหนุ่มเนี่ยก็เลยพาพาลูกพาหมาจริงจอกตัวนั้นมามาให้พ่อมาหาพ่อนะมาหาพ่อในถ้ำนะทั้งผู้พ่อเห็นหมาจริงจอกเท่านั้นน่ะเอ้ยลูกทําไหมกระซิปกระราบแล้วงเงาเถอะไม่ให้หมาจริงจอกได้ยินนะ ลูกไปพบกับหมาจิ้งจอกได้ยังไงหมาจิ้งจอกเป็นสัตว์เลว น, นะลูกนะจะไปคบกับหมาจิ้งจอกไม่ได้นะเสียหายนะคบกับคนเลวนะคบกับสัตว์เลวนะหมาจิ้งจอกกับลูกอยู่แล้วมันตอแหลขนาดไหนไอ้ลูกจะไปคบกับมันไม่ได้นะหยุดนะอย่าไปคบกับมันนะลูกนะให้ห่างนะเป็นพิษภัยนะ่อันตรายนะลูกนะผู้พ่อสั่งลูกสั่งลูกราชสีนะไอ้ทางผู้ลูกหัวเดือใช่ไหมนะเฮ้ยพ่ อ, อนี่โบราณวะ หมามันจะไปหมาจิ้งจอกมันจะเกเกียงได้จากไงเราเป็นหัวหน้ามันอยู่แล้วมันจะตบเมื่อไรมันก็หงอแบบนั้นแหละมันจะมาไกลใหญ่กว่าเราได้ยังไงเฮ้ยผอนี่โบราณไปหานี่แหละคนโบราณมันเป็นอย่างนี้แหละเจ้าลูกน้องมาเป็นลูกน้องก็ไม่ได้คิดว่าเป็นอย่งุู้นเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันคิดมากคนโบราณ ทั้งผู้พ่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงใช่ไหมเตือนแล้วไม่ฟังใช่ไหมพอวันหนึ่งทีนี้พอวันหนึ่งเกิดหมาจริงจ่อตอนนั้นมันแนะนําไปในทางที่ชั่วเลยเด้ทีนี้ก็ระบอกว่าเจ้านายเจ้านายแกงก็ได้กินกวางก็ได้กินหมูป่าก็ได้กินกระทิงก็ได้กินวัวป่าก็ได้กินได้กินหมดทุกจัดที่เจ้านาย อ, อข้ามาให้หรือว่าจัดการข่ามาให้เนี่ย แต่ยังเหลือม้าว่ะอาม้านึ่ยังไม่ได้กินเนื้อม้าเขาว่าอร่อยนะเนื้อม้านะ่มันอยู่ที่ไหนเหมืนวะเดะเออต่นนี้กันอยู่ใกล้เมืองมนุษย์แล้วเมืองมนุษย์าทางทางไอ้ไอ้ไอ้ราชสีด่าว่าพาไปเดูซิคือหมาเจรยงจอกมันเคยไปสอดหลอดแสหลดดไดมไปที่ไหนมันขึ้นคือเดือนสูงลงเลื่องต่า เขียวค่ำย่ำคืนนี่ยม้าจิงจอกมันไปหมดว่างั้นเด็กๆมันก็พาไปเลยนะไปก็ไปเห็นม้าน ะ, อะพอพอเป็นม้ามอยู่ในในฝั่งแม่น้ําพอเห็นม้าท่านั้นแหละนั่นแล้วม้าท่านตอนนี้นกับราชสีตัวนี้นมันเปรี้ยวอยู่แล้วใช่ไหมโดดเปิ้ลเข้าไปคาบม้าเลยเอจากนั้นก็คาบทัเวียงขึ้นบ่าเลยพอสังเวียงขึ้นบ่าก็วิ่งเลยพอมันพ้นตาคนขึ้นมาแล้วก็มาแบ่งให้ม้าจิงจอกกิน พอหมาจิ้งจอกกินเสร็จแล้วก็คาบมาให้พ่อแม่อยู่ในถ้ากินอีกนนะพ่อแม่เห็นหมาเท่านั้นแหละแต่นี่พ่อราชสีแม่ราชสีโถตายตาตายนะลูกอย่าไปเอาม้าเขากินนะม้ามันเป็นของมนุษย์นะมนุษย์นี่มันหัวแหลมนะอันตรายนะลูกนะอย่าจะเข้าไปใกล้นะมนุษย์ให้ห่างนะอย่าไปกินม้านะลูกนะเออแบบสั่งแบบสั่งเสียเด็ดขาดเพางั้นอ่ะทางลูกชายพ่อเนี่ยโง่เงา ใครจะทําอะไรให้กับเราได้เรานะั้นมันเปรียวเยี่ยงกว่าอะไรอีก เ, อเราไม่กลัวหรอกมันจะมาท่าไหนก็นมาเถอะวะพ่อนี่งโง่คนแกม่แแกมันเป็นอย่างนี้แหละชาราชสีสีแก่มันเป็นอย่างนี้แหละไอลูกชายก็ท่านงท่านตนอย่างมากเพราะงั้นไม่เชื่อฟังคําพ่อจากนั้นก็เพ้อเพ้แล้วก็ไปคาบมา้าม า, มากินแล้วก็ไปคาบมา้าจุดนั้นมากิน ม้าเป็นของพระราชาด้พระราชาเนี่ยเป็นม้าเป็นฝูงเพราะว่าการจะเข้าศึกสงครามสมัยก่อนมันต้องมีช้างกับมีม้าใช่ไหมล่ะเข้าไปสู้ศึกสงครามแต่นี้พอไปกินม้าพระราชาถึงพระราชาก็เดือดร้อนเลยทีเดียวเอาเอาเอาม้าเข้าไปในเวียงวังเท่านั้นเอาไปในขอบกำแพงกำแพงเมืองนะพอเข้าไปกำแพงเมืองเท่านั้นแหละชาติศีตอนนี้ก็ไม่เว้นเลยเพราะมันกําลังมันแข็งแรงใช่ไหมล่ะ มันกระโดดข้ามกำแพงป๊อปไปขาบขาบมา้าเฉยๆพอมาถึงไกลๆมันกระโดดข้ามกำแพงอีกเออเอามา้ามากินได้อีกพอในที่สุดพระเจ้าแผ่นดินกับเรียกนายคมังธนูเนี่ยแต่ว่าคมังฮะแปลว่ามือส ก, กั น, นไงเออแปลว่ามือปืนนัมบวันนัมเบอร์หนึ่งแหละเออทีนี้ก็พอประชุมกันแล้วถามว่าจะจัดการกับอสลาดสีได้ไหม นายขมังธนูเหล่านั้นก็บโอ้ยได้เอาอะไรไปจัดการนะเดี๋ยวนี้มันเดือดร้อนนะนะราชสีตัวนี้นะเอมันเข้ามากินม้าในเวียงวังในกินในในเมืองของเราให้จัดการแต่ในนายขมังธนูกับเรียกไปชุมขุนพลทั้งหลายนะที่มือฉมังสมัง เ, เสร็จแล้วก็เตรียมธนูเออาบยาพิษทุกตัวอะไรทีนี่เอ๊ะเขก็เป็นนัง่ง อนั่งอยู่ข้างนอกนั่งอยู่ข้างในอไอ้มือสมังจริงๆกันนั่งอยู่ข้างในเพราะว่าราชสีตัวนี้เนี่ยเวลามันเข้าไปมันเข้าทางไหนก็รู้อลไรแหละมันเข้าทางไหนพอมันเข้ามามันก็เปิ้ลกระโดดข้ามกำแพงเลยเขาก็ไม่ยิงเธเนี่ยเขาม่ยิงมันเพราะว่ามันมันเร็วด้ใช่ไหมตอนนี้พอมันไปขาบม้าได้เธอนี่ยมมันวิ่งออกมาแบกม้าใส่บาเขามันมันกําลังจะขึ้นโดดขึ้นกำแพงใช่ไหม มันก็ช้าใช่ไหมมันหนักใชม่มันแบกมา้าแหมกม้าทั้งตัวมันก็หนักเลยมันก็ยักยี่ยักยนันมัจะกระโดดข้างกงําแพงเขาก็ยิงปล่อยธนูใส่ช่วงนั้นแล้วกนะันน่ะนายคำวังทันโมก็สายปอกปล่อยเข้ามาเลยเอ่อใส่เข้าสีข้างราชเสี็จเลยลเร้องอ้ากเลยราชเสด็จกันรีบปล่อยม้าทันทีพอปล่อยมา้าเสร็จแล้วก็เว้งเนยนะตะเลิงเปิงเปิดตะเลเปิดเปิงตะเลิงเปิงเปิด เ, เ, เ, เออพอมาถึงหน้าถ้ำน่ะนะ มาล้มลงที่นั่นพอล้มมาเห็นแต่ลูกสอนเสียบสีข้างอยู่ทางผู้พ่อกับแม่ออกมาเห็นโอ้ลูกเอ้ยนี่แหละพ่อแม่ห้ามไม่ฟัง อ, อย่าไปคบกับสัตว์ที่เลวกว่าตัวเองอย่าไปกินม้าพราชาอูาพ่กก็ไม่ฟังเนาะลูกเนาะตายเพราะความรื้อลันตายเพราะความโอหังตายเพราะความไม่เชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้แล้วลูกเอ้ย ผลในสุดราชสด็จีตัว น, นั้นก็เลยตายเนี่ยแหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านี่ยอยู่กับพ่อกับแม่ต้องฟังพ่อแม่อยู่กับผู้ใหญ่ก็ต้องฟังผู้ใหญ่เนียอย่าไปดันทุลังถ้าไปดันทุลังกันั่นแหละเหมือนกับราชเสด็จีลูกชายตัว น, นั้นะหอะถึงข่าวจิบหายใครก็ช่วยไม่ได้เพราะฉนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะจตหา ย, ยาดโยมทุกคนนะการอยู่ด้วยกันต้องฟังกันต้อง เชื่อเชื่อกันต้องฟังกันถ้าเชื่อกันฟังกันแล้วนะ่ะการอยู่ด้วยกันมากน้อยแต่มีแต่ความร่มเย็นผาสุกนะต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะอนุโมทนาให้เป็นสิริเป็นมงคลของวันสงกรานนะให้ศีลให้พรในวันสงกรานเสร็จแล้วก็ให้พวกเรารวมกันนะท่านนายอำเภอท่านผู้กํากับและก็หัวหน้าส่วนราชการผู้ใหญ่บ้านกำนัน สงน้ําำสงพ่อไม่ใช่ให้สงทุกคนนะให้สงแต่หัวหน้ากลุ่มนะให้เลือกกันให้เลือกกันว่าใครจะเป็นผู้มาสงแต่จะให้สงทุกคนไม่ได้หลงพ่ อ, อคงจะไม่เสร็จง่ายและก็พร้อมกันเมื่อหัวหน้ากลุ่มสงหลงพ่อเสร็จแล้วนะลงพ่อก็จะแจกของสารวยแจกพระให้กับพวกเร า, เ, าเพื่อนําไปาคุ้มครองอปกป้อง เ, เครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของพวกเราเป็นสิริเป็นมงคลปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อจะแจกพระให้กับลูกหลานาให้ไป น, นําไปกราบไหว้เคารพนะให้ติดตัวไปน่าจะานที่ใดมีอะไรเกิดขึ้นก็ร ะ, ะลึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเถนะิดมันก็มีมความอบอุ่นทางด้านจิตใจนะลูกหลานนะ ต่อเนไปหลวงพ่อจะให้พรนนะที่นี้นะาพอให้พรเสร็จแล้วก็เนนะ่เรื่มพิธีส่งน้ำแล้วนะนีนะให้พรสะกดท่าท่าให้สงน้ำสะกดจะให้พรเดี๋ยวก็จุยกระจายกันนะ